ช่วงใดๆของการปฏิปัติธรรมเนี่ยเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะดังนั้นการพูดการคุยอะไรก็จะเริ่มงดไปการให้กรรมฐานการพูดคุยเรื่องอารมณ์ปฏิปัติธรรมก็จะม เ, เป็นเรื่องที่ละเอียดไปทำลำดับตอนเย็นก็จะเป็นเรื่องศีลธรรมบางเรื่องความเข้าใจตัวทั่วไปในตอนเช้ามีภาวะที่สงบเย็น จิตผมใสเราก็คุยกันเรื่องกรรมฐานกรรมไปว่าการกระทำฐานไม่ว่าที่ตั้งแปลมาก็คือที่ตั้งแห่งการทำกรรมหรือการกระทำของมนุษย์เนี่ยมีอยู่สองแบบหนึ่งแบบสมัมมะทสองแบบวิปัสสนา สมถกรรมฐานเป็นอุบายแต่ไม่จิตสงบแต่วิปัสนาเป็นอุบายให้เกิดปัญญาสงบจิตสงบที่เฉยนี่เขาเรียกว่าสมถะแต่เกิดปัญญาดับทุกข์ดับกิเลสแต่โล ก, กุตรธรรมขึ้นไปเนี่ยเป็นปัญญาสมถะเนี่มันสามารถสงบได้แบบธรรมชาติก็มีเป็นคนฝึกปล่อยวางชอบอไปสงบสงบ หรือบางทีก็มองเห็นธรรมะที่ปรากฏต่างๆหัวใจหมุกรินกายใจและเกิดความสลดทนหงุหงใจเป็นคนมากน้อยสันโดษแต่ไม่ถึงกับเป็นคนที่มีสติอยู่กับตัวเองมันก็จะไม่เป็นวิปัสสนาเป็นคนรักษาศีลเป็นคนนั่งสมาธิก็จะอยู่ในข้นกรอบของสมถะหรือเราไปได้ยินได้ฟังคนนั้นพูดคนที่อบรมมาจากที่โน้นที่นี่ เราก็าไม่ยึดถือปฏิบัติคือเป็นคนมากน้อยสันโดดกินเจเนี่ยเป็นคนรักษาศีลศีลห้าศีลแปดอยู่กับบ้านกเกเรือนก็ถือว่าเป็นคนดีในสังคมระดับหนึ่งนะแต่ว่าจิตจะไม่สามารถเข้าสู่ความเป็นวิปัสสนาได้เพราะมันไม่ใช่วิธีมันเ ร, เรียกว่าวิธีสมถะคือใจให้สงบเฉย วิปัสนาคือการกำหนดรู้ทั้งสติกำหนดรู้อยู่กับกายวินาจิตธรรมคือดูกายดูจิตด้วยความระลึกรู้อย่างนี้ทำให้ต่อเนื่องเข้มขน้นได้เรื่อยคุณจะอยู่บ้านก็ตามอยู่วัดก็ตามจะเรียกว่าวิปัสสนาก็ตามไม่เรียกก็ตามซึ่งจังหวะมันมันมีภาวะของการเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันดานเห็นทุกข์ การดับทุกข์ก็เกิดขึ้นได้โดยธรรมดาธรรมชาติจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามจะว่าปฏิบัติถูกก็ตามไม่ปฏิบัติถูกก็ตามคนนั้นจะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามนับถือศาสนาไหนก็ตามรัฐที่อะไรก็ตามนุ่งผ้านุ่งเสือ้อเชื้อชาติศา ส, สนาภาษารัฐที่นิกายไม่เกี่ยวกันขอแต่ว่าให้มีความรู้ตัว ถ้ารู้ตัวต่อเนื่องมากขกินมากขกินมากขกินก็จะเกิดวิปัสนาเกิดปรากฏการฟ้าผ่าในใจฟ้าแลบในใจเกิดการเห็นแจ้งในจิตเกิดการเข้าไปสลายภาวะของความเป็ี่ยนอัตราตัวตนที่มีอยู่ในใจเราอวิชชาตัญหาอุปาทานจะถูกทำลายไปเมื่อเกิดวิปัสนาญาณเกิดญาณทัศน์ขึ้นมา หลังจากที่เรากาหนดความรู้ตัวได้ต่อเนื่องทีนี้ความต่อเนื่องมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความเข้าใจอันนี้เกิดขึ้นเมื่อนั้นถ้าเรากําหนดความรู้ตัวได้เป็นธรรมชาติมันจะเป็นวิปัสนาแต่ถ้าเราจ้องเมื่อใดเป็นสมถะมันก็พอสงบมันไม่คิดไม่ปรุงแต่งนะ่ะตรงนั้นบางทีสมถะเนี่ย เขาพยายามทำให้จิตสงบดูบทกระสินสิบอสุภะสิบอาหารเรปฏิกุลสัญญาแล้วลึกถึงความไม่งามของอาหารพิจารณาธาตุพิจารณา น, านี่เป็นสมถะนะพิจารณาธาตุสีดินน้าไฟลมประกอบกันขึ้นเป็นเราเป็นตัวเรามองร่างกายสังขารใ้เป็นอสุภะเน่าเปื่อยเบื่อหน่ายทุกวันทุกวัน พยายามมองข้างนอกว่าคนอื่นก็ตายเป็นเราจะไปอีนังขังขอบอะไรกับชีวิตมากมายนะเกิดสลดโธทงหูใจเจ่ก็อาศัยปัญญาแค่นี้ไปดำเนินชีวิตเป็นสมถะวันทีบางคนระลึกถึงพระพุทธเจ้าผ่านพระพุทธรูปกราบไหว้ท่านทุกวั น, วนขอยท่านคุ้มครองขอยใช้อิทธิฤทธ พระเจดีนั้นพระธาตุนี้คุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะอยู่ในศีลในธรรมตั้งมั่นตั้งสัจจะอธิษฐานขอพรขอศีลขอสัจจะกับสิ่งที่ตนเองเคารพรักบูชาเรียกว่าเป็นสมถะเป็นอุบายให้จิตสงบที่นี่พอมันสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยบางคนส่วนมากจะจมอยู่ความสงบแต่ที่นี่ ในวิธีการปฏิบัติของพระกรรมฐานพระป่าพระอะไรพู้ไม่มีปริยัติหรือไม่ได้ศึกษามาพอสมควรเนี่ยท่านก็จะดำรงชีวิตอยู่กับภาวะสมถะความสงบไปวันๆแบบสบายสบายปล่อยวางเหมือนกันเน่ะแต่ปล่อยวางแบบสมถะมีความเข้าใจในเบื้องต้นว่าเออความคิดเนี่ยมันเป็นทุกข์นันอย่าไปยุ่งกับมันเลยใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละอย่าไปเกี่ยวข้องกับผู้คน อยู่ตามธรรมชาติธรรมดาเนี่ยใจก็สบายได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าจะมีการต่อยอดก็คือการมากำหนดรู้กำหนดรู้ทุกทุกที่มันปรากฏของเราเนี่ยทุกเป็นยังไงเห็นมันเน่เขาต้องบอกว่าเวลาเราจิตสงบปุ๊บเป็นสมถะทีนี้เอามากำหนดรู้เพื่อทาให้มันเป็นวิปัสสนา คือมาดูความคิดสมรรถะเข้าใจเรื่องของร่างกายคือปล่อยวางกายในระดับนึ่งแต่ว่าไม่สามารถที่ปล่อยวางความคิดไม่สามารถเห็นอาการของความคิดเกิดดับดัะนั้นเราจึงมาเฝ้าดูความคิดดูจิตเราทีเนี่ยมีสมาธิพอแล้วมันสงบดีแล้วเนี่ยเขาจะดูความคิดมันสงบระงับพวกตัวทัวไปเนี่ยจะมีสงบแต่ไม่ระงับทีนี้ปฏิบัติธรรมเนี่ย มาเน้นความระงับระงับกิเลสระงับความปรุงแต่งระงับความคิดความอยากความอะไรเวลาไมโครโฟนหมดฐานพูดยังไงมันก็ไม่ออกนะมันหมดฐานเหมือนกับคนนะหมดกิเลสซะเนี่ยปฏิบัติทำให้มันหมดถ้าหมดกิเลสมันก็ไม่มีไม่มีความอยากมไม่มีความอยากก็คือใช้ชีวิตอยู่กับโลกแบบสบายๆนะแต่แรงผลักแล้วขับเคลื่อนข้างในมันไม่มี มันไม่ไปด้วย อ, อำนาจตัะหาราคะนะแต่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพดินเราอาศัยความรู้สึกความนึกความคิดความสังเกตว่าจริงๆเนี่ยสมถะการวิปัสสนาเนี่ยมันแยกกันตรงไหนมันเดินมาสักพักหนึ่งแล้วมันก็หมดสมรถะเนี่ยถ้าเราไปดูจิตเมื่อไหร่ดูความคิดดูอารมณ์เมื่อไหร่ดูความเป็นอนิจจัง ดูความไม่เที่ยงดูทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางของวิปัสสนาคือการเกิดปัญญาขึ้นมานั้นแต่ตรงกันข้ามเมื่อไหร่ที่เราเน้นความสงบมากขึ้นเนี่ยไม่ได้มาดูความคิดดูอารมณ์เน้นแต่ความสงบอะไรก็จะใช้มันสงบให้มันนิ่งมันดิ่งเนี่ยจิตนี้จะเลยภาวะขอบเขตของความรู้สึก ที่จะเป็นนิพสนาไปเป็นสมถะแบบฌานจิตจะถูกกดลงไปเรื่อยๆกดลงไปเรื่อยๆกลายเป็นเพ่งฌานแปลว่าเพ่งนิพพานารู้อารมณ์สมถะจะเป็นเพ่งเพ่งแล้วเป็นฌานฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌาน ท, ที่สาสะกดจิตตัวเองจิตนี่จะไม่มีกำลังเหมือนต้นตะโกนะต้นข่อยต้นอะไรเนี่ย เขาจะลวดไปมัดอ้อมไว้ไมาให้มันโตโกดไว้มันก็จะกลายเป็นรูปรักแบบนั้นดูสวยงามดีแต่มันไม่จเจริญเติบโต ร, รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนั้นเราถูกดัดชีวิตก็เหมือนกันใช้สมรรถะดัดค้นจากดุเพ่งครึ้มแต่ไม่เป็นธรรมชาติคนนั่นกินจงกินเจเนี่ยไม่กินข้าวตอนนั้นวันทีนี่มันดัดไปดัดมาดัดไปดัดมาดัดด้วยศีลาจารวัต เขาเรีกว่าสีลับตะปรามากมันก็จะสงบสบายแต่อยู่ในสภาวะของสมถะมากขึ้นมากขึ้นเป็นอปปนาสมาธิสมาธินิ่งดิ่งแต่เป็นสมาธิแบบอับจนอับปปนาก็คือสมาธินิ่งแบบไม่มีประมาณเลยเป็นการสะกดจิตตัวเองตัวแข็งทื่อ เป็นเหลือแต่หนักเข้าหนักเข้าเวทนาก็ไม่สนเจ็บขาก็ช่างหัวมันไม่เปลี่ยนเหงวก็ไม่กินตัดทิ้งไม่รับรู้อะไรไม่รับจำอะไรไม่ปรุงไม่แต่งจิตไม่คิดวิ่งวันออกไปข้างนอกสงบไม่รับรู้เหลือนั่งอยู่แต่กายจึงกระทั่งว่าภาวะจิตที่มันเป็นสมาธิแบบนี้เขาเรียกว่ารูปประพรมรูปประมหรือพรมรู ป, ปฟัง เลยพอพวกมีขันขันเดียวมีขันขันเดียวขันเดียวคืออยู่จะรูปขันเวทนาไม่มีไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยมันนิ่งเฉยไปหมดเลยสัญญาขันไม่มีการรับรู้ใครว่าอะไรยังไงไม่ได้ทุกข์ด้วยแต่นิ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือน จากเดือนเป็นปีปีเป็นร้อยปีพันปีจนทั้งวันในปรากฏในคำบีว่ามีฤาษีไปนั่งสมาธิแบบนี้เป็นหมื่นปีเป็นรูปฝักจงกระทั่งจอมปลวกมันหุ้มตัวในนี้ค น, นหลายๆเป็ดปติจวบทำนึกว่าทำสมาธิถูกทางที่จริงมาเข้าสมาธิแบบชาญตัวแข็งสะกดจิตตัวเองเพอทำหลายๆครั้งเข้าผู้รู้ทั้งหลาย ท่านบอกเสมอว่าจะเป็นอมพารเป็นอมภพอมพารเพราะมันไม่ได้ทํางานแขนขาจีนมือมันถูกสะกดจิตเราสะกดขาเราสะกดตัวเราสะกดกายสะกดจิตเดินไม่ไหวมันเกร็งไปหมดในที่สุดมันก็มีแต่รูปขันอย่างเดียวมีแต่รูปร่างกายนี้แต่เวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มี ีนี้คนที่จะปฏิบัติทำรู้แจ้งเห็นจริงได้จะต้องขันหน้าต้องปกติต้องมีขานหน้ารูปเวทนาเส ญ, ญาสังขารวิญญาณเป็นปกติคนจะรู้แต่มาหนึ่งต้องรู้ธาตุสี่ขนหน้ า, ร า, 12, า 18, อ, น 22, อริยธระมสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยีิบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนี่คืออารมณ์ของวิปัสสนาภูมิแต่ถ้าเราไปจมไปสะกดมันก็ไม่เห็นเหมือนซัอย่าเราไปหยุด นิ่งหรือหลับไปเนี่ยเราก็ไม่เห็นความคิดแต่นี้เรามาทําความรู้สึกตัวให้มันคิดคิดกระช่างมานรงแต่งกระช่างมันดูมันเฉยเฉยมันคิดมากบางน้อยบางกระช่างระลึกรู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่ให้มันต่อเนื่องกายกับจิตทําให้มันเป็นในเดียวกันเป็นในเดียวกันคือระลึกรู้กลายเคลื่อนไหวใจรับรู้กลายเคลื่อนไหวใจรับรู้รู้ตามไปด้วยไม่ใช่ตามรู้นะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมรู้พร้อมกัน ก้าวเดินก็รู้ขณะที่ก้าวเดินหรือบางทีรู้ก่อนที่มันจะอยากเดินได้ซ้าไปภาษานั้นเรียกว่าต้องกําหนดรู้ที่ต้นจิตต้นความคิดความคิดมันเกิดเรื่องนี้มันเกิดยังไงอ่ะพวกอย่างต้องมีเหตุปัจจัยออกมาจากจิตทั้งหมดถ้าทําโดยพลการโดยสัญชตาตญาณก็จะไม่มีผลที่เป็นกรรมเพราะมันเกิดขึ้นโดยไม่เจตนาไงเป็นธรรมชาตินะ แต่สภาวะที่เป็นกรรมก่อกำเนิดเป็นเมล็ดเป็นพืชเป็นผลเป็นตัณหาที่จะก่อให้เกิดกรรมในอนาคตต้องเป็นความจงใจความอยากจงใจเป็นมนุสัญจิตนาหานภาวะนี้มันจะเกิดภาวะอันนั้นขึ้นมาถ้าไม่ดีก็ชั่วไหลไปตามนั้นความเผลอเผลอไปตามความคิดตามอารมณ์อันหนึ่งสั้ขาดเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นนะ ไม่จะทําหน้าที่ได้อีกกี่วันกี่เดืนอนแต่าลายคนเออเดี๋ยปีหน้ามาเดี๋ยวปีหน้ า, าเพียงนรื่งใดตัวไหน ท, ทําเถอะนะปัจจุบันอดีที่สุดดีกว่าอย่างอื่นเพราะธรรมชาตินี่มันไม่รอใครมันไม่คิดว่าคนนั้นเป็นพี่เป็นน้องนะม่ไม่คิดว่าคนนี้นคนนี้เป็นพี่เป็นญาติแล้วมันจะรอธรรมชาติก็ทําหน้าที่ธรรมชาติไปเราก็ทําหน้าที่ของเราไป ทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราระลึกรู้มีสติสตินี่คือตัวระลึกรู้ตัวยอมรับตัวสังเกตนะสังเกตดูทุกกระบวนการเกิดการดับของอุปาทานขันของความคิดของสมมติภาวะทั้งหลายทั้งปวงอย่างเรากําหนดรู้เนี่ย เ, เริ่มต้นเป็นแบบวิปัสนาเลยไม่ใช่มันเน้นที่จิตมันสงบคนบางคนหาความสงบ นั่งสวัครหาความสงบแต่นี้ไม่หาความสงบมาเนี่ยหาปัญญาเนี่ยนั้นก็จะมีภาวะของการระลึกรู้ได้ต่อเนื่องระลึกรู้ไปรู้ไปมันปรุงแต่งก็รู้มันไม่ปรุงแต่งก็รู้มันรักมันชังมันโกรธมันเกลียดมันดีดีมันพอใจไม่พอใจดูมันไปเรื่อดๆจนกระทั่งว่าวันดีคืนดีสติมันพอสติมันเต็มเราลึกได้ต่อเนื่อง ก็จะเกิดปัญญาเห็นรูปเห็นนามขึ้นมาเห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันกันแยกก า, กายก็แยกความคิดออกจากกันคือสติของการกําหนดรู้นี่มันจะชัดเจนมากตัวรู้เนี่ยมันจะชัดเจนเอาลืมตากว้างๆดีๆตั้งใจทําให้มันรู้ตัวจะชัดวิปัสสนาเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยเหงาในน้อยก็ไม่ได้นะมันจะต้องตื่นตัวเองชัดเจนจริง แต่สลึมสลือแบบคนเดินไปเพราะลูกไม่ใช่รูปแบบนั้นเน่ยรู้เท่าทันความง่วงความเหงาตัวเองด้วยความปรุงความแต่งทั้งในถ้างั้นก็เหมือนเดิมนะทำห้วันเหมือนคนอื่นเขาก็เหมือนคนอื่นเขาไม่เหมือนเขาทำสิบวันก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาทําเหมือนเขาแต่มันไม่เหมือนเขาได้แต่เวลาเท่าเขาแต่สภาวะทําในจิตไม่ปรากฏหาเงินเหมือนเขาแต่ไม่รวยเหมือนเขาเพราะปัญหาไม่เป็นไง ไม่ใช่หาไม่ได้นะหาไม่เป็นเหมือนคนเล่นกีฬาไม่ฟังกฎกติกาอะไรอ่าไม่เลยเว่าทําแบบนี้นะมันจะเป็นนั้นทําแล้วมันจะเป็นอันนี้เราฟังไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจมันก็ยากเวลาไปทําก็ไม่เห็นมีสักทีไม่เกิดสักทีเพราะมันไม่เข้าใจไงเ้าต้องฟังแบบเข้าใจเรียนรู้แบบเข้าใจปฏิบัติให้ต่อเนื่อง ทำให้มันเป็นแล้วอย่าใส่เพียงหูหเวลาฟังเนี่ยฝึกสติด้วยนะฟังมันถึงจะรู้เท่าทันฝึกการระลึกรู้เนี่ให้ต่อเนื่องความเข้าใจได้อะไรมันก็เข้าใจเนะี่ยแต่ไม่ใช่การรู้แจ้งเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มาฟังเพื่อให้มันเข้าใจนะไอ้ความเข้าใจคือความเข้าใจเขาเข้าใจนี่มีสตินน้อยมันก็เข้าใจคนสติไม่มีไม่เข้าใจ มันควบคุมกัน ร, รับฟังกันยอเราไม่ได้แต่พราสติมีิชน์เหมือนฟังแล้วเข้าใจคนส่วนมากไปนั่งสมาธิฟังเหมือนเข้าใจนั่นแหละแต่นี่ทําให้จิตมันเป็นไม่ใช่มันเข้าใจธรรมดาต้องให้เปิดการพลิกทางในนั่นแนหะสติจะทําหน้าที่อันนั้นทตถ้าสติมันไม่มีเราอาศัยประคองจิต ด, ด้วยกันฟังเนี่ยมันไม่พอมันไม่เกิดมิปรัสนายานขึ้นมานั้นถามตัวเองที่ไปฟังเนี่ยมันกี่รอบแล้วกี่ปีแล้วแต่จะ เ, เกิดมาเนี่ยก็เหมือนเดิม สติมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นยกจิตออกจากกิเลสไม่ใชธรรมดานะได้จากความเข้าใจกับบ้านกับเรือนเข้าใจเขาพูดให้สาบซึ้งหน่อยก็เข้าใจเวอร์นะ่อยแต่ว่าไม่ใช่วิปัสนาญาณกว่ากฎถ้าเราไม่ใส่ใจกับการระลึกรู้จริงๆเนี่ยว่ายากอ่ะเนี่ยนั้นมาแต่ละคนมาแต่ละครั้งแต่ละทีก็มาสนแต่มาเอาเรื่องนี้แหละเอามาพูดให้ตั้งใจปฏิบัติเนี่ย มาปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติต่อสภาวะทางจิตใจของตัวเองเห็นว่ามันเกิดยังไงมันปรุงแต่งยังไงเนี่ยมองเข้ามาข้างในหนั่นแหะไม่ใช่เราจะชอบอันนั้นชังอันนี้ไม่นั่นหลา ย, ลายคนอยู่นา น, านยิ่งโง่นนานสองวันสามวันสี่วันห้าวันก็งโงส่สี่ห้าวันวเพราะอะไรเพราะว่า อยู่แต่กับความพอใจที่นี่เวลาไปเดินจุกกมมีแต่ความคิดมีแต่สิ่งที่ฟังเนี่ยไปยุ่งเพราะอะไรเพระว่ามันไม่เจอสภาวะที่ปรากฏนั้นการตามหามันจะคนละแบบกันตามหาสภาวะธรรมกับตามตามหาความจําความคิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนปรากฏเห็นสภาวะธรรมเขาจะตั้งใจโอ้มันมีจริงนะเนี่ยเขาจะขยันไปทางโน้นนะแต่ถ้าฟังมากเวลาไปปฏิบัติธรรมจะมีแต่เรื่องที่ฟังปรากฏเกิดขึ้น ในสมองเนี่ยนั้นฐานของจิตมันไม่เกิดการเคลื่อนเนาะเคลื่อนไปสู่การแสวงหาแบบรู้แจ้งเนี่ยมันไม่มีางเพราะอะเพราะว่าความเพียรมันน้อยแล้วไปความจดความจำความคิดความปรุงแต่งมันเยอะขึ้นมันเหมือนหลอกเรกวาว่าที่ธรรมะนะเนี่เอามาคิดนี่นะธรรมะธรรมูนะเนี่ ย, แ, ยแต่ี่จริงไม่มีอะไรนี่จะขยะดังนั้นให้ระลึกรู้ดูให้มันเป็น เป็นวิสัยของสภาวะพร้อมที่จะรู้รูปรู้นามการรู้รูปนามก็คือการมีสติอยู่กับกายนั่นแหละมีสติอยู่กับกายแบบที่มันเป็นเองรู้เองไม่ได้ตั้งใจรู้มือเนี่ยมันรู้เองของมันเดินไปจะสร้จะหวะก็ตามไม่ไส้หวะงามจิตมันตื่นจิตมันตื่นขึ้นมาความรู้ตัวมันปรากฏเกิดขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นมันนโอมันเป็นอย่างนี้เนาะ มันรู้ตัวจิตมันตื่นแย่ yeah, เลยโอ oh, ้จริงๆเนี่ยถ้าสติอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันไม่ทุกนะสติเป็นตัวรักษาจิตแต่จิตถ้าไม่มีสติรักษามไปกับความคิดไปกับความปรุงแต่งไปกับอดีตอะน่คตหมดเลยพอสติมีโอ้ oh, มันมีความว่างปรากฏอยู่ในตัวแต่นี่พอมีอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าเกิดยถาภูตะยานเนี่ยปัญหาความเปลี่ยนแปลงก็อยู่ตรงนี้แหละ ยะถาพุทธยานคืออะไรเกิดก็เห็นแค่นั้นนะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปดูเที่ยวที่เท่าที่มันเกิดมียถาภูทธยานเห็นยถาฉันใดเอวังก็ฉันนั้นมันเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ดูเท่านั้นนะไม่ได้ไปปรลงแต่งเพิ่มไม่ได้คิดหาเป็นยถาภูทธยานเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปข อ, ของความคิดอารมณ์เป็นโดยธรรมชาติ เียบแข้งเจ็บขาก็เหมือนกันไม่ปรุงแต่งไม่เป็นของกูตัวกูของกูล้วแต่มันเป็นธรรมชาติมันความคิดก็เหมือนกันไม่ใช่กูคิดกูปรุงกูแต่งแต่เป็นธรรมชาติของการเกิดการดับโดยธรรมชาติมันเขาเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงการเห็นธรรมคือการเห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงมันก็เป็นแบบนั้นแต่ก่อนเห็นแล้วมันจะคิดตามเห็นแล้วมันคิดตามทีนี้เราจะไม่ให้มันรู้เฉยๆนี่รู้รู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมาต่อเนื่องขึ้นมันจะเป็นการเห็น มันสว่างมากขึกก้นมาขกกึ้นกลายเป็นความร้อนเนี่ย่มองไกลๆหายใจยาวๆไปโรงพยาบาลครั้งก่อนเห็นโยมเขาเล่าให้ฟังนะเห็นพระผระผู้ใหญ่นั้นไปเข้าโรงพยาบาลเลือดออกปากออกจมูกโยมที่ไปก็เลยลงทุนรักษาอยู่โรงพยาบาลเอกชนหลายวันมั้งเป็นเดือนหรืออะไรไม่รู้นะหมดไปสิบหกล้าน แต่โยมเขาออกให้เจ้าของโรงพยาบาลก็ออกลงตาถ้าไปหาหมอนี่ถ้าลงทุนประนั้นปล่อยตายเลยนะเอาไว้รักษาคนที่ยังอยู่กับโลกนี่นานๆคนที่ยังอยู่กับโลกคนน้นก็ยังอยู่กับโลกโลกคนเพลิดเพลินแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยชอบเล่นตลกกับมนุษย์เสมอนะี่ยมนุษย์เรานี่ต้องการความสนุกสนานความเพลิดเพลินต้องการความ อายุยืนยาวนานต้องการความไม่เจ็บไปป่วยไม่เจ็บไม่ไข่แต่ธรรมชาติเขาเล่นตลกก็คือเขาไม่เอาธรรมเราเราอยากได้อะไรเขาไม่ให้อยากได้ลาบไม่มีอยากได้ยศไม่มีให้สรรเสริญไม่มีให้ม่อยากได้มากนะเราก็ทำเป็นภาพลวงตาหลอกหลอกมันสัหน่อยอา้าวอยากได้รูปเหรอนรูปออกมากินเลย อ, อร่อยอร่อยสน้อ ย, อยไอยวิง่งส่อนหา มันสมัยเด็กๆนั่นแหละเด็กรุ่นเราเขาเดีย ก, กมันวิ่งไปหลบนั่นเราก็ไปหาอีกหลบนี่มาหาอี ก, อกแล้วก็วิ่งหารูปหารถหากลิ่นหาเสียงหาลาบยศสารเสริญวิ่งซ่อนหากันเนี่ยสนุกเหลือเกินแม้จะหัวเข่าแตกหัวหกก้นขิดหกคอมเมนตีลังกาไปหัวรางข้างแตกยังไงก็ตามก็เหมือนว่ามันสนุกแต่ความจริงคนฉลาดมองดูแลโอ้ยไม่เอาละไปเล่นตามเกมสมมติ มันโตแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่คนไม่เข้าใจนะมันก็จะเล่นไปเรื่อยเล่นของเล่นอะไรไปสนุกไปวันวันวันวันวันวันเขาก็รู้สึกว่าเขาได้อะไรสักอย่างแต่ธรรมชาติไม่เล่นกับเขาเราเล่นยังไงก็ตามเ็ื่อจะแก่มองไกลๆตั้งคอเทยงเที่ยงกลางขาออกกว้างๆให้สะโพกมันจดพื้นสองข้างหรือนั่งทับซ่อนหน่อยก็ได้ เปลี่ยนท่านั่งบ่อยๆมันจะดีขึ้นถ้ากั้นมันก็สลึมสะลือสลือสลึมอย่างนี้นะไดฟังที่ที่วัดแทนที่จะได้ฟังอะไรลึกซึ้งมีอย่างเดียวถ้าได้ยินแต่เสียงด่ากูฟังธรรมะเ ส, สียงด่ากูทุกวันทุวันพอเลยเพราะว่ามั น, on air, on air มนอ่อนแออ่อนแอนี่ยหว่าให้มันโตขึ้นเหมือนพระพุทดธดองค์นะสมมติ ว, ว่าองค์ไหนที่ไม่ดีนะมาบวชเราจะกระทากับเธอเหมือนในช่างฟันหม้อ หยีบแล้วเหยียบอีกปั้นแล้วไปตบแล้วตบอีกรูปแล้ว ร, รูปอีกครำแล้วเาขามีจนกระทั่งว่าดินนี่มันอ่อนมันเละเทมันพร้อมที่จะปั้นน่ะมันพอดีไม่มีมมน้ําเกินไปไม่แข็งเกินไปได้จะเป็นรู ม, มอร่อปั้นรู ม, มอร่อเป็นมอ่อได้ฉันในกรณีคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมืนั้นเขาเน้นอันนั้นว่าแล้วว่าอีกไม่ใช่โอ้ยของป่วยเนาะนีะ่เนาะอาการนี่ได้นั่งพักผ่อนนะ ค่อยสบายค่อยมาทำนะนอนบ้างนะอะไที่นี่ไม่มีนะถ้ามันนอนมากก็อุ้มก็ไปบนเมนนั่นนี่เผาเนี่ยสัปาหนึ่งเราตาไปไปฏิบัติธรรมง่วงมากง่วงมง่วงใดง่วงดีนะงบแล้วนะงบอีกเขาให้หลับตาพระอาจารย์ก็ให้หลับตาเหมือนกันนะข้าวทับข้าซ้ายตทางกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าห้ามลืมตา สบายก็แบบรวบรวมไว้ใจสักพักหนึ่งมันเมื่อยเนี่ยมองไปดูอาจารย์โหอาจารย์ก็เกิดยานเหมือนกันเนี่ยยานโยกเยกเหมือนกันเพรนั้นก็อยู่ท่านบอกให้หลับตาห้าม ล, ลืมตาถ้าลืมตาเนี่ยบาปโหคงจะไม่ให้ดูท่านนั่นแหละก็นั่งหลับตานั่งหลับไปหลับมากก็อา้าแล้วไปทุ่มหนึ่งก็แล้วสองทุ่มก็แล้วท่านคงไปงานมาข้างนอกมา มันเมื่อยมากนะสามทุ่มก็แล้วสี่ทุ่มก็แล้วเอไม่ได้กินท่นดีแต่ก่อนนั้นสองทุ่มท่านก็ <c oughs> สมควรเข้เวลาค่อยๆ ค, คลายออกจากสมาธิคลายออกวันนั้นไม่คลายสักทีไม่พูดสักทีคลายจนเราเมื่อยเห็นกันหลายคนอนะยู่ของพวกลืมตาขึ้นมาดูเอา้าวสี่ทุ่มแล้วท่านยัง สายไปสายมาอยู่องเขาก็เลยข <c oughs> ึ้นมาโยมเป็นคนไอทีนี่พระไม่ไอแต่ท่านก็ไอรลอ้วสมควรแค่เวลาเอาตอนสองทุ่ควสมควรมาสี่ทุ่ก็จะสมควรน่าจะพูดว่าเกินสมควรแค่เวลาแต่ท่านไม่ได้พูด ค่อยๆ ค, คลายองค์เชสมาธิจริงๆก็พูดหลอกกันแบบนี้ตลอดเวลาเราไปที่โน่นที่นี่ก็เป็นแบบนี้แหละแล้วได้อะไรฝึกสติไม่สู้กับกิเลสไ ม, ไม่ได้สู้อะไรเลยนคําว่าสู้ศึกสู้ศึกเนี่ยถ้าปล่อยวางอ้อยหยุดแล้วลาศึก น, น, นี่มันไม่ได้สู้ไม่ได้สู้กับกิเลสไม่ได้เห็นเนี่ยความคิดเกิดดับอะไรไม่เป็นวิปัสนามีแต่จะไปทําแบบสมถะสงบไปวันๆพอออกไปเหมือนเดิม เราไปต่อสู้กับทางโลกเนี่ยเราไปปล่อยตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไปลืมหูลืมตาหนะ้าข้างนอกนะ่ยเราไม่ได้ไปหลับตาไปนะไม่ได้ปิดตาปิดหูนะนั้นทําไงเราจะลืมตาลืมหูได้ข้างนอกแบบไม่ทุกข้างในก็ไม่ทุกเราก็ต้องฝึกแบบนี้เนะี่ยเรียนรู้มันเนะ่ะมันปรุงแต่งมามันงนยินมามันเบื่อมันไหนเพียงแต่ว่ามีสติและลึกรู้อยู่กับปัจจุบันเฉยเฉยไม่ได้เน้นต้องไปหลับตา แ้วหลับตาเนี้ยเดี๋ยวเกิดดิมิตแล้วเกิดสีเกิดแสงแล้ววันที่เกิดดิง่งนิ่งอ่านะเพราะอุปทานมันไม่ได้ลบล้างก็ไปเห็นพบชาติที่แล้วเป็นอะไรยังไงเกิดกับใครที่ไหนเคยฆ่าวัวฆ่าควายเห็นไหมสมถะแบบหนึ่งนะเคยไปฆ่าสัตว์เคยไปรักทรัพย์ก็เลยไม่ได้ดูทุกข์ไม่ได้ดูปรากฏการณ์ของจิตที่มันเป็นทุกข์แต่ว่าไปสะกดจิตตัวเองเพราะสะกดจิตตัวเองมันเป็นสมาธิหน่อยแต่อุปทานที่มันมีมังคสะท้อนย้อนกลับมาเมื่อแล้วจุด ไฟในกระจกเงาเนี่ยมันจะเห็นปเป็นหลายๆจุดเท่าไหร่ไฟก็เกิดขึ้นเท่านั้นดวงแล้วดวงใหญ่ก็อในเรื่องมันสะท้อนไงแต่ความไปยิงมันไม่มีไฟตัวนั้นมันก็ไม่มีถ้าเราดับเทียนมันก็ไม่มีเทียนอะ่ะมันไม่เห็นไฟในกระจกนะฉันในกรณีชีวิตเราก็เป็นเหมือนนั้นแหละพ้นปฏิบัติทําไปหลอกตัวเองบางทีนั่นเฝ้าดูมันเห็นมัน เข้าใจมันชัดขึ้นชัดขึ้นจนกระทั่งมันเกิดยะถาภูตยานเห็นตามความเป็นจริงมันเกิดยังไงเห็นตามความจริงมันดับยังไงเห็นตามนั้นน่ะมันไม่เปลี่ยนแปลงมันดูสว่างมันสดมันใสมันงดงามจิตเราเนี่ยมันสบายโอ้มันเป็นยี่ของมันเนาะมองไกลๆเนี่ยถ้าก้มต่ําๆเนี่ยมันจะง่วงมองไกลๆเนี่ย เอาท้ายถอยพระข้างบนเป็นนิมิตกรรมฐานเนี่ยเป็นเครื่องกําหนดรู้เนี่ยนักคอตกกูก็ตกตามนักคอตั้งกูก็ตั้งตามทีนี้พอมาเข้ามาเข้านะพอมันรู้เต็มทันความคิดวิธีอันนี้มันจะเป็นแบบเป็นเป็นวิปัสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมกันพอมีสติปุ๊บมันจะคอยดูแลความความคิดก็ไม่ค่อยไปไหนละอยู่กับปิจุมโนคนเริ่มเป็นห้านาทีสิบนาที เริ่มเป็นชั่วโมงเริ่มประครองได้เป็นวันสองวันสามวันบางทีนี่รู้ตัวในความรู้ตัวทั่วพร้อมที่ปรากฏเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าได้อารมณ์ได้อารมณ์กรรมฐานได้อารมณ์วิปัสสนาได้อารมณ์สมถะเริ่มมาแล้วนะอารมณ์นี้ยแหละเรายังอยู่ไม่ใช่เราอยากอยู่กับอารมณ์โลกกดหลงนั้นทีนี้ความรู้ตัวมันต่อเนื่องชัดเจนขึ้นมันแจ่มใสทีนี้ความคิดเนี่มันไปไหนไม่ได้มันอยู่กับเราอ่ะ จิตเราเนี่ยไม่มีความคิดเลยมันไม่ทำงานมันจะเรื่องรู้รู้รู้ไปสบายสักพักถ้ามันจิตเห็นจิตนะจิตมันก็จะยืดการคลายกิเลสเพราะไปไหนไม่ได้อันที่มันกลืนไว้ในปากวันนี้มันเกิดการคลายออกมาคลายออกคลายออกก็ไปกินเรื่องไหนบางเรื่องอะไรอ่ะมันไปกินอะไรกับใครที่ไหนยังไงจิตเราเนี่ย มันจะเกิดมาเนี่ยมันไปทำอะไรบ้างรักใครชังใครโกรธใครเกลียดใครมันติดอยู่ในจิตเวลาปฏิบัติธรรมมันจะสารักนอนี้ออกเขาเรียกว่ามันระลึกชาติได้ภาษาพระเขาเรียกว่าพอรู้รูปนามแล้วเนี่ยมันจะเกิดเห็นสมมุติเห็นใจรักในรูปในนามมันก็จะเกิดการคลายยีเลดในเบื้องต้นนี่นะ เกิดยานแรกที่จะเป็นนิพพานเมื่อไหร่มันคลายเกศคลายอดีตออกมาได้ความรักความชังความปรุงแต่งความชอบไม่ชอบอะไรที่ไปทําอะไรตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่เลยไปโน่นไปอีกนะไม่ใช่คำพบคำชาติไปชาตินี้อืชาติที่แล้วก็คือไอคิดที่ผ่านมาเนี่ยเราไปติดอารมณ์ติดความรักความชังอะไรยังไงมันจะขึ้นมามันจะรับสา ร, รภาพมันจะหลุดออกมาหลุดออกม า, ออกมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องแต่เราก็เฝ้าดูเลยลึกๆ อ, อย่าให้มันหลุดนะ ตัวดูนี้อย่ารู้อย่าอย่าให้มันหลุดเหมือนตู้ไมโครเวฟนี่แหละมันผ่านออกมาให้มันตายทีละอันทีละอันไปแต่สติต้องเข้มแข็งพอถ้าไม่เข้มแข็งบอมันปรากฏอดีตตัวหนึ่งเนี่ยเราปรุงแต่งไปกับอดีตเลยเป็นเราคิดเนี่ยมันยาวไปเลยเราหลุดเข้าไปในนั้นเพราะนั้าแสดงว่าธรรมะเราไม่เข้มแข็งสติมันไม่พอเอาไหมอะไเลื่อกรู้ใหมเพราะว่าเราจะไปเผาอาดีตนี่แหละที่ทำให้ เ, เป็นทุกข์เนี่ยะจิตมันยอมรับสา ร, รภาพโอ้ยอมแล้วยอมแล้ว มังคลายออกมาเดี๋ยวนี้มึงไปกินอะไรเรียกว่าคลายกิเลสภาษาพระเรียกว่าสํารอกสํารอกกิเลสก็คือมันจะหลุดออกมาหลุดออกมาเป็นเรื่องเป็นนั้นและลึกรู้ไปเรื่อยเรือเรื่อยเร ย, เร ย, เรยช่างมันเถอะบางคนไม่เข้าใจนะบางทีเวลาเจอภาวะอันเนี้ยตั้งแต่เกิดคนที่เขาเคยรักเขาจะเริ่มผวดออกมาคนที่เขาเคยจ้างจะปวดออกมานะ เริ่มพูดออกมาพูดออกมาแล้วก็หายไปหายไปหายไปแล้วมันจะเริ่มเฉยเฉยนะเจตุใครชังใครเนี่ยโดยเฉพาะมันเริ่มต้นมันจะเริ่มเพาะเริ่มแหมหรือคนที่เรารักมากที่สุดลวงตาเข้าใจธรรมะอยู่ในป่าดูวิสัยแล้วอืมนึกถึงนะห ล, ลังจากฟ้าผ่ า, าออกมาปกติสักพักนึงไปหาโยมที่อุปถัมนโยมที่เคยเราอยู่วัดนะเป็วัดในเมืองโยมนี่เอาใจใส่ดูแลดีมาก ตอนไปปฏิบัติธรรมเขาก็ไปฝากแฟนเขาทำงานอยู่ที่แบงกชติตัวเขาก็ทำงานที่มหาวิทยาลัยไม่หาไปหาเขาไปหาเขาทำไมอยากไปบอกอะไรให้เขาอยากให้เขาตื่นตัวอยากให้เขารู้เหมือนที่เรารู้นี่อยากให้ปฏิบัติธรรมแบบนี้ไปชวนเขาได้น้อยนึงไหมครับเขาไปฝึกแบบหลับตาซะนี่ ที่ได้ไปชวนมาดีอยู่แต่พอเขาเริ่มปฏิบัติทำเขาไม่มีครูบาอาจารย์เราเองเลิกก็ห่างไปไม่ได้ค่อยมายิ่งปฏิบัติเข้มข้นห่างไปหนึ่งปีสองปีนะค่อยไปหาเขานะสามปีไปหาเขาตากนละเขาไปปฏิบัติแบบหลับตาแล้วเห็นนั่นเห็นนี่เกิดิมิตนั่นนี่เห็นพบเห็นชาตินหลงก็ไปอยู่ในอารมณ์ ในบ้านเขามีต้นมะม่วงมีนั่นมีนี่ปลากรอบมีเทวดาไปโม้เลยทีนี้ตายตายตายไปพูดคุยกับเขาเขาก็จํามาจากอาจารย์นั้นว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แก้ไขไม่ได้สงสารเขาแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ปล่อยวางเขาเขาก็ไปวั น, ว, นวันหนึ่งเขาก็บอกว่าเขานั่งอยู่นี่เขาไม่ได้ทําอะไรอะปฏิบัติทำแล้วก็ส่งกระแสจิตไปสอบอารมณ์กับพระอาจารย์กับหลวงพ่อ ข้ามจังหวัดไปเลยนะทรงกระแสจิตเนี่ยไปสอบอารมณ์มาเลยอะไรบอโอ้หลงทางไปไกลไม่รู้จะช่วยยังไงไม่มีปัญญาอันน้นะเราปฏิบัติทำสักพักหนึ่งมันจะนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้บางทีก็นึกถึงพ่อถึงแม่บางคนไม่เข้าใจนะไม่หลงทางไม่รู้ยังไงนี่มันคิดถึงอดีตคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงเช่ามันเถอะมันจะเริ่มทางานแล้ว พอแต่รู้อยู่กับปัจจุบันีเยีะๆมันคล้ายๆฟงซ่านนะแต่เราตั้งมั่นสติขึ้นมาเมื่อไหร่พวกนี้จะเริ่มหลุดหายหลุดหายหลุดหายและจะเป็นปกติเลยเราจะไม่ทุกพ่อแม่พ่อพอแม่แล้ไปอยู่ไกลขนาดไหนก็ตามแต่ก่อนเรานึกว่าเราไม่ห่วงไม่คิดถึงไม่อะไรแต่มันยังฝังอยู่ในใจถ้ามันเกิดวิปัสสนาญาณนี่ยมันจะเกิดการสํารอกวันคลายออกมาคลายออกมาคนอยู่ใกล้ชิดสนิทชิดเชื้อเสนิหา โดยพวกคนที่เรามันจะเกิดกับคนที่เราไปทําร้ายเขาก่อนเราไปชังเขาก่อนเขาอะไรเนี่ยอันนี้มันจะออกมาก่อนความรักมาที่หลังความชังมาออกก่อนแล้วมันจะเริ่มสลายไปมันเหมือนกับถ้าสติเข้มแข็งนะไฟของวิปัสสนาเข้มแข็งเนะี่ยมันจะเหมือนกับการเปิดโทรศัพท์เนี่ยเปิดดับเปิดดับเปิดดับไปเนี่ยเปิดแล้วดับไปเลยเหมือนสลด์เนี่ยเพิ่ภาพนี้เพิขึ้นมาหายภาพนี้ขึ้นมาหายภาพนี้ขึ้นมาหาย แตก่อนมื่อขึ้นมาแล้วมันติดอารมณ์อันนี้มันหายไปหายไปหายไ ป, ยไปมันเกิดการเผากิเลสแตเขาเรียกว่าการเผาอาตาปีสติมาสัมปะชานนมีความเพียรเผากิเลสเราเผามันได้ไหมถ้าไฟไม่พอนะเวลาไปเจอนี้เราตกหลุมความคิดทันทีนะมันขึ้นมาแนละ้วตกหลุมความคิดทันทะีเนี่ยที่จริงเราจะเป็นหลุมอ้อมันอยู่ตรงนี้นะว่าจะเผามาันตอนแต่ไม่ได้เผาเราตกหลุมมันมันก็คิดยาวลงแต่ง นันสติต้องตั้งมัน่นเข้มแข็งถ้าอยากผ่านอารมณ์นี้ได้นะอะไรที่อยู่ในการก่อนของจิตเนี่ยมันไปอยู่ตรงนั้นทิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อมันจะขึ้นมาหมดนั่นแหละนะมันไปกวาดออกกวาดออกกวาดออกกวาดออกแต่สติต้องเข้มแข็งสําคัญว่าสติสติสติถ้าสติไม่เข้มแข็งมันขึ้นมามันจะทํางานมันจะเกิดการล้างส่ายสุดหวบลงไปอ่ะจิตเราหลุดเข้าไปอยู่ในความปรุงแต่ง พอใจไหมพอใจงยงยงินติดอารมณ์เต็ทีเลยตายจบต้องไปเริ่มใหม่ไปเริ่มที่อารมณ์รูปนามใหม่ต้องไปปลุกกระแสธาตุรู้ขึ้นมาใหม่รู้ตัวต่อเนื่องใหม่แล้วมาทำงานอันนี้ใหม่ถ้ามันไม่ผ่านอันนี้มันต้องเป็นแบบนี้นะมันจะไปรู้อันอื่นก่อนไม่ได้เหมือนโจรเนี่ยที่เคยพูดนะโจรโจรโจรโจรคนเคยทําชั่วเนี่ยเวลาจําตํารวจเขาทําคดีเวลาเขาจับได้เนี่ยถ้ารับสารภาพต้องทําประกอบ ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพคือไปถามภาพตามจำลองเคยเป็นรักเขายังไงเอาถ่ายรูปยอมรับสารภาพมาเคยขโมยของเขายังไงที่บ้านไหนไปทำแผนนะมันไปทำแผนบางทีคนก็ลุมประชาทันนะจิตเรานี่ก็เหมือนกันเอามันไปทำแผนไปทำแผนคือมันเล่นลึกรู้ในอดีตเขาเรียกว่าอาดีตแต่ชาติยอมรับสิ่งที่ทำมาเนี่ยเคยทำอะไรเคยทำชั่วทำดีอะไร เลยติดเครื่องส้ำองซ้ำบางเคยสูบรมบุรีเลยจ้ะเนี่ยคาว่ารุมประชาทันคนรุมประชาทันนี่หมายว่าเวลาเราปฏิบัติทำแล้วเกิดมนต์ลึกรู้แบบนี้เนี่ยไปทําอะไรขึ้นมามันจะเกิดสลดหดหูใจโอ้กูทําได้ป่านนี้อยู่เลอที่ผ่านมาเนี่กูจมอยู่กับความชังความโกรธความพยาบาทนานปานนี้อยู่เหลยน้ําตาจะไหลพลานะคุณธรรมฮีริปรากฏเกิดขึ้นโอ ต, ตับปากการเกิดปรากฏขึ้น มันจะแจ้งในใจเนะี่ยมีเรื่มมีเมตตาต่อผู้อื่นเริ่มงของการปล่อยว่ามันจะกระแทกกระทันมันกดมันเบียดมันเหยียบอารมณะนะ์นั้นน่ะตั้งแต่นี้ต่อไปกูจะไม่ทําอีกแล้วเนี่ยกูจะไม่ทําอีกแล้วกูจะไม่เนคอีกอแล้วแบบเนี้ยกูไม่เอาแล้วเนี่ยมันเกิดความกลัวทุกข์ขึ้นมาแต่ดีทุกที่เกิดฝังอยู่ใน ใ, นใจนะนะั่นน่ะมันเห็นชัดขึ้นมาแล้วบางคนได้อยู่กับความสบายสบายมากไม่เกิดปัญญานะพอเรารู้อยู่กิเลสในตัวเราก็มีแต่มันนึง สบายเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ความสบายแต่ไม่เห็นปัญญาอันนั้นนั้นปฏิบัติทําให้มันเกิดปัญญาให้มันเห็นแจ้งข้างในให้มันรู้ช่างมันเถอะคิดกระฉังไม่คิดกระฉังบางคนอ้วนทำไมความคิดไหลออกมาปานนี้ความไม่ความคิดเยอะเมื่อกี้สมาธิดีอยู่เลิกปฏิบัติทําเลยเป็นมัจจุมาหนมานคือความกลัวกลัวทุกข์กลัวยากกลัวเจ็บกลัวป่วยกลัวเมื่อยในที่สุดก็คือเบื่อหน่ายหยุด ตายจากอารมณ์กรรมฐานซะเลยตายจากมักจากผลซะนี่เสียดายนันจะไม่หยุดอจะไม่ทอแท้มันก็เฉี่ยวไปเฉียวมาเฉี่ยวไปเฉียวมาวอันนี้เป็นยานแรกของการตัดสรุเขเรียกว่า ป, ปุเพนิวาสานุสติญาณยา น, ยาน ล, ลึกชาติถ้าคนทั้งลุมประชาทันด้วยทั้งนูนทั้งนี้ด้วยโอ้ยมันไม่กล้านะมันไม่อยากให้คนจับได้ต่อไปมันก็ไม่ทํากรรมถ้าทำกรรมก็จะมาเจอแบบนี้กูจะแย่แล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนกันนะ่ะ จิตของเราถ้ามันเกิดการแล้ลึกรู้ปานนี้จะเท่ากับว่าจิตของเราเป็นวิชาสามารถจับจิตตัวเองได้มันไม่ไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้มันเชื่องเชื่องน่ะจิตมันไม่ได้วิ่งไปโน่นไปนี่ไม่ได้แล้วมันจะเกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาแล้วมันจะลุ่มปราชาทันเวลาประกอบแปนรับสาภาพเนี่ยจะลุ่มปราชาทันจิตมันจะยอมรับจิตมันจะเข้าใจอ่ะแต่หลังจากนั้นจะมีความสุขความสบายโล่งโปร่งรู้สึกว่า อยู่ๆก็ฟึบทีเดียวนะแจ้งขึ้นมาหายครั้งเดียวโอ้ไปแล้วนะเริ่มเบาเริ่มโล่งเริ่มโปร่งเริ่มสบายขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะเบาอ่ะแต่บางทีบางคนก็ประมาทนะเวลามันเบามันสบายแล้วเริ่มประมาทบางทีเบามีปีติมากไปมันจะไม่เกิดการสัรลักนะถ้าปีติมันมากเนี่ยบางคนเอิบยิ้มโล่งโปร่งมันจะไม่ทำงานอนะเนี้ย เพราะสมาธิมันมากไปต้องมีความรู้ตัวนี่เยอะๆรู้ตัวเยอะๆแต่อย่าไปนิ่งอย่าไปติดสบายเพรามันสำลอกอันนี้ออกปุ๊บมันจะสบายเขาเรียกว่าไม่มีแล้วฉันไม่ทุกข์เพราะอดีตแล้วใครจะว่าอะไรไปเจอใครคนนี้เกียรติมันมากเนี่ยไปเจอก็ธรรมดาคนนี้ชังมันมากธรรมดานะแต่ก่อนรักมากรักมากที่สุดของความรักเนี่ยเวลามันตกผลึกคือความชังนะ มันใหญ่มันรักมากรักใครใหญ่รักมากชังใครก็เหมือนกันนะชังมากเข้ามากเข้าะมันจะติด้ะเป็นความรักนะเวลาชังมากเข้ามาเข้าความชังมันจืดจางลงจืดจางลงเนี่ยมันจะเห็นความดีของเขานะ่ะแต่บางคนชั่วจนไม่มีความดีเลยก็มีนะอ๋อไอันนี้ชั่วมากนะอ่ะพีชั่วมหานล้านการก นันพอวิปัสนาเรามีเขาเรียกว่ารู้แจ้งเนี่ยภาวะไปนเนี้รู้แจ้งและทําให้ชีวิตต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเป็นเบื้องต้นของการเป็นวิปัสนาทีนี้คนมันทุกคนมันควรจะเป็นเกิดมาเนี่ยเพราะมันไปอยู่ในวิสัยไม่ใช่มันไม่อยู่ในวิสัยแต่ต้องทําจริงๆจริงจรและทําสติให้ต่อเนื่องคนหลายๆคนไปนั่งทํา็อกสมองหนึ่งก็เลิกทำล็อกสมองหนึงก็เลิก หรือบางที่ก็เอาดื่มน้ำปนานะแล้วพักผ่อนแล้วหรือบางทีทำตลอดวันตื่นตั้งแต่ตีสองแต่ปรากฏว่าอยู่กับความง่วงตลอดเวลาตื่นขึ้นมานจริงแต่หลับตลอดเวลานนั่งหลับใส่ไปใายมาเอา้าได้กินกินข้าวต้มมาแล้วแม่ชีมาแล้วเนี่ยสมควรเคเวลาเนี่ยอยู่ปบบนี้เราจะได้อะไรมันไม่เข้าวหน้าสาเทีย ไปครั้งนั้นก็นได้แต่พออยู่ได้บางทีก็มีปิติเกิดขึ้นมาบ้างนะ่ะแต่ปิติของคนทั่วๆไปธรรมดาไม่ใช่ปิติของวิปัสนาไม่ใช่ปิติสุขเอกคตาเวกามันไม่ใช่แ บ, บนั้นแต่มันปิติเออบิมนะน้ําตาไหลอิออ่มใจ้อะไรบ้างทีเขาสะกดจิตนะสะกดจิตคือไหลไปตามความรู้สึกนึกคิดที่เอาให้ข้อมูล เหมือนกันนะแต่ว่ามันอยู่แค่ปีติระบบสะกดจิตนั้นเราเนี่แทบเป็นแทบตายกว่าปฏิบัติทํากว่าจะเข้าใจแต่ะวันแต่บางทีถ้าเกิดจิตมันน้อมไปทางกุศลผลบุญเนี่ยวันเดียวก็เป็นชั่วโมงหนึ่งเขาก็ทําได้นะนั่งสมาธิจะน้อยใช้ระบบสะกดจิตเอาก็คือพูดให้คล้อยตามพูดให้คล้อยตามหรือบางทีจะมีเหรียญ น, นะนียปั๊บปั๊บปั๊บอย่างที่ทางตะวันตกเนี่ยพอจิตเรามองตรงบปนี่อีกสภาพหนึ่ง เราจะเริ่มตัวแข็งเริ่มลืมตัวไปเร ๆ, ๆ่ๆเด่นเด่นเาก็จะถามทีนี้ถามอดีตง่ายอะไรประมาณเนี้ยเริ่มสะกดจิตเอาอะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะ่ะสมาธิแบบนี้มันไม่ใช่วิปัสนาแต่เราก็ไม่รู้พอไม่รู้เราก็ไหลไปตามอาการสะกดจิตคนช่วยบางทีเราเองสะกดจิตตัวเรายิ่งสะกดมากเขามานเขายิ่ ง, ม, งมันนิ่งมันแข็งเลย เป็นถานมันออกไม่ได้เนาะแล้วมันติดเอาไปมาพวกนี้จึงหมดเนื้อหมดตัวทําบุญทาทานจนหมดเนื้อหมดตัวนะควรู้สึกกลับไปบ้านก็ยังเมาบุญอยู่นะเอาไปมาขัวเมียพัดข้าวจากกันเพราะอไรเพราะทำบุญทาทานทําบุญมากเอาให้แสนหนึ่งยังไม่พอให้ล้านหนึ่งสองล้านสามล้าเอาไปสร้างอะไรนะ่ะสร้างคนหรือไม่ วัตถุสิ่งของไปเรื่อยๆสร้างอาจาจักสร้างแล้วก็ว่าไปสร้างพุทธรูปสวยงามแขนวไว้เลยมันไหลมันเข้าไปอยู่ในนั้นมีหลายรูปแบบนะบางแห่งวัดที่ก็นเน้นเรื่องศีลต้องรักษาศีลศีลห้าีลแปดต้องกินเจนะคนในรักษาศีลห้าได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยเพราะว่ามันมีในพระไตรปิฎกหน่อยว่า คนที่เป็นพระโสดาบันเขาจะศีลหา้าเขาจะไม่ขาดมันไม่ขาดศีลหา้าแต่ความเป็นจริงเนี่ยอยู่กับความจริงพระโสดาบันก็คือคนที่อยู่กับความจริงความจริงชีวิตเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นเขาศีลไม่ขาดคือจิตมันไม่เป็นทุกข์ไม่วิตกกังวลไม่อะไรแล้วเพราะมันอยู่กับความจริงอ้าวป่วยไข้ป่วยไข้ขก็นอน พ, พักผ่อนนะ วันนี้เป็นโรคไปแคจะเอเหมือนอาพาษตก็กินข้าวตอนเย็นตอนบ่ายด้วยธรรมชาติมันแบบนั้นนะแต่ทางโลกนี่จะรู้สึกว่าเศ้ามองคนงเด็ดขาด ต, ต้องแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเด็ดขาดเพรศีลแล้วว่าตปรามานเอาไปมาอ้าวสร้างสังคมเห็นศีลวันนั้นพวกนั้นมันไม่มีศีลพวกนี้มันกินเหล้าคือถ้าเราอดทนเราเ อ, เองเนี่ยเราจะดูถูกคนอื่นนะธรรมะนนี่ไม่ขัดสัตว์อดทนเราไม่ขัดสัตว์ พวกที่กินสัตว์อยู่นี่พระสงฆ์ของเาจ้าเนี่เหมือนเปรตเหมือนมารไม่กินก็ส่งเสริมไมคนกินถ้าท่านหยุดกินจ้ะเขาก็ไม่เอาของคนนั้นมาทำกับท่านไม่เอามาเลี้ยงท่านไม่ถวายท่านโอ้ยเจ้าว่าการกินเนื้อไม่เกิดขึ้นด้วยการสามอย่างหนึง่งได้เห็นเห็นว่าเขาฆ่าเพื่อเราไม่กินติเทนะวาสุเตนวาได้ยินเรื่องเขาฆ่าใส่บุญเด้อ ง, งานในเด้อไปถวายพระเด้อหลวงพ่อ ฉันข้ายุงอ่อมไปหาหลวงพ่อเดืองมันไม่ยินนะเห็นเขาทำเพื่อเราไม่เอาได้ยินเขาว่าเพื่อเราไม่เอาเขาสงสัยสงสัยมีความสงสัยพิเทนวาสุเตนวาปริสั้งกายยวาสงสัยสงสัยว่าเขาทำนี่เพื่อเราอันนี้สงสัยนะต้มไก่นี่น่จะเพื่อเรานเนี่ยถ้ามีความสงสัยแสดงว่าจิตมันไม่เป็นสมาธิแล้วเห็นจิตก็ไม่เป็นสมาธิได้ยิน จิตก็ไม่เป็นสมาธิแล้วเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิก็ตามอย่าออกมาเพราะมันจะปรุงแต่งจิตสงสัยก็ไม่ได้นั้นเขาให้รับด้วยอาการเฉยๆนั้นไปบินตำบาศ ก, กับชาวบ้านเขาเราไม่รู้เรื่องกับชาวบ้านเขาก็ะชังเขาเขากินยังไงแล้วก็ขอกินกับเขาใช้ช้อนหนึ่งทับพีหนึ่งข้าวปั้นหนึ่งท่านนี้นเองใส่บานมาก็เดินไปเสร็จแล้วก็เดินกลับมาใครให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วไปเพราะเราไม่ได้วุ่นหวังว่าจะไปหากินหรือไม่กิน่ ทำหน้าที่ตามวิสัยของสมณะสากยาบุตรลูกพระพุทธเจ้าเขาทาแบบนี้ก็ทาแบบนี้ไม่ได้อยู่ด้วยความอยากด้วยอานาจของความอยากความปรุงแต่งของคนอื่นเนี่ยไปด้วยธรรมดาธรรมชาติแล้วก็กลับมาได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ใช่เหมือนโดนตาว่าเนาะไปบินตะ บ, บัดร้องตะโกนไปมากแล้วเด้ มันเป็นประเี๋นะเป็นประดีว่าไปบินถ้าฝต้องร้องตะโกนไปนะโยมไม่ใช่ไปใกล้ๆโยมโยมมาแล้วนะไม่ใช่ออย่างนี้นะถ้าอยู่ไกลๆเนจังนี้ประมาณที่พักโยมนะโยมผามาแล้วใสบาเดอโอ้ร้องตะโกนไปนะ วันตาเคยไปอยู่นะอไม่ไหวเนะออันนี้ว่ะมันไม่เคยนะมันมีความละอายนะเดี๋ยวนิพพาไปไกลเดี๋ยวนิพพาไปไกลนะกินโต๊ะจงโตะจีนกินหล่นกินนี่ไปมีทะเลเดือดทะเลข้างบุบบุ บ, บปับ ป, บปบขึ้นมานะ่ะพะไม่รู้จักบินธบากกินอนะไรเนี่ไม่ได้กินได้บาทไม่ได้เช้นในบาทวัฒนธรรมประเพณีของพรุทธศาสนาที่เป็นมันจะเริ่มเสื่อมหายไปกิจวัตรประจําวันของพระจะเริ่มไม่มีอต่อไปเนี่ยมันหายไปอะ่ะ ก็มหายไปความเป็นพระความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของสามัญะจะเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงในที่สุดพระก็เหมือนโยมธรรมดาต่อไปในอนาคตเนี่ยจะไม่ต่างกันนเห็นไหมพระหลายๆองค์เขาบวชที่สวนโมกข์เขาอยู่ต่างประเทศเขาก็สืกอารแล้วเพียบเป็นโยมเปิดคอร์สสอนเขาก็สอนเอาไปบรรยายทาก็สอนคือต่างประเทศเนี่ยเขาทึ่งอ่ะคือเขาไม่ได้เรียกว่านักบวชนะ แค่เป็นคนธรรมดายอย่างนักปรัชญา น, นักปรัชญาทั่วๆไปอย่างแต่ก่อนจำนะจำาบาสิทธิ์ของพเพลโตว่าอันนี้จำเล่นๆนะสมัยก่อนสมัยก่อนเมื่อไหร่คุณมีความรักในใจคุณจะกลายเป็นกวีเมื่อมีความรักไหมมันจะเริ่มพูดเป็นบทเป็นกรเรื่องเริ่ม คำไม่เคยคมก็เริ่มคมอะไรประมาณนั้นนะเห็นไหมมันจะเริ่มละเอียดขึ้นเรื่อยๆขึ้นพารโต้เนี่ยเคยดูเป็นนะสมัยเรียนปรัชญาไม่จำจำบทเดียวนี้แหละบทอื่นก็ไม่จำวะ่ะมันแล้วแต่ว่าวุฒิภาวะใครอยู่ในห้วงอารมณ์ไหนเหมือนเพลงนี่แหละถ้าคนเมาก็เพลงเมาสามชจ้าคาบาวมาก็ได้การนะแต่คนอยู่ในห้วงไห้ความรักก็อา้าวสวรีพกาพัน อะไรนะ่ะปิ่นพิบานเมื่อนั้นนะแต่พวกคู่สมัยสมยศทัศนพัน์ไปไกลจิตแต่เวลาเราอยู่ในอารมณ์อา้าวมาเริ่มเห็นนะเออเป็นไหนเองน้อยเราก็จะเริ่มเข้าใจเริ่มปล่อยเริ่มวางวางวา ง, วางแต่ถ้าไม่นด้วางก็ไปติดอารมณ์แบบนั้นนะติดอารมณ์แบบนั้นมันก็เลยเป็นโทษนะเมื่อไหร่ที่เราถูกความรักมันกล่อมเนี่ย จิตมันจะดีอ่ะดีไม่ทำอะไรให้เป็นที่กเกียดเดียดฉันกับคนอื่นนะธรรมดานะขาเขาใจคําว่าเขาใจคําว่าถ้าช่วงโปรโมชั่นผ่านไปแล้วก็แย่เลยนะชีวิตหลังจากนั้นก็เริ่มไม่มีเพราะนะมันไม่เพราะนะั่ต่อไปเนี่ยมันเป็นความเกลียดความจังนะหรืออะไรก็ตามอนะมันเป็นธรรมชาติของโลกนะ มันจะเป็นอันนี้จังแต่ทีคือมันเกิดขึ้นสูงสุดเนี่ยโตขึ้นโตขึ้นพอมันร้อนสูงสุดอยางนั้นก็มันก็เย็นลงมาแหละเป็นธรรมชาติมันเหมือนเราต้มน้ำนี่แหละพอมันไหม้เสร็จมันก็เป็นแบบนั้นเนี่ยนั้นเราอยู่กับธรรมดาเลยไม่ดีกว่าหรือไม่ต้องให้มันไหม้ขึ้นไหม้ลงอยู่างเงี้ยเป็นธรรมชาตินะนั้นพอเราเข้าใจโอ้ไปห น, นีเนาะโอ้สำนักนักเขาทำแบบนั้นรู้จักสำนัก น, นี่ทำแบบนี้รู้จักโอ้บางทีไปอยู่ที่ อบางแห่งเขาก็สอนเดินจูงโกมกําหนดรู้รทําะไ้ก็กําหนดรู้นะ่ะแต่บริบททั่วไปเขาจะพูดเรื่อ ง, องทําบุญทําทานไปเฉพาะใกล้วันสุดท้ายเขาเริ่มละะเริ่มแจกไม้ตีกิเลสละแล้วทอดปาป า, ปากิเลสทําน่นทํานี่ขึ้นมาคือไม่ได้เน้นในคนดับทุกข์นะแต่จะเน้นเรื่องการทําบุญทำทานเพราะถ้าทําสมาธิก็เข้าใจว่าสมาธิเนี่ยไม่เรียนรู้ก็ได้ในเบื้องต้นแบบสมถะเนี่ย ใครทำก็ได้ทำอยู่ที่บ้านก็ได้ทำที่ไหนก็ได้เสร็จปุ๊บพอมีสมาธิไม่รู้ว่าไปทางหน้าไปยังไงเนี่ยเอา้าหลังจากยานที่หนึ่งเกิดขึ้นยานที่สองมันจะเป็นยังไงยานที่สามเป็นยังไงการดับทุกข์จุดเกิดจุดดับแตกหักของปฏิเวทอยู่ที่ไหนเราไม่รู้จักพอไม่รู้จักก็พูดถึงเรื่องการทำบุญทำทานละแต่นี่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วทำบุญทำทานเราก็จะมาเน้นเรื่องนี้ทีนี้ โยมก็จะติดอยู่ตรง น, นี้โยมจะไม่ข้ามไปข้างหน้าได้นะเห็นคนนั้นทําคนนี้ก็อยากทําคนนั้นทําคนนี้นะครับมันเกิดนะทฤษฎีสิ่งแวดล้อมยั่วยวนอะไรเนี่ยเหมือนมันสะกดจิตในวงนี้โดยธรรมชาติเลยมันก็เป็นแบบนั้นในที่สุดก็คือไม่เกิดวิปัสสนาฮนะไม่เกิดวิปัสสนาก็ติดบุญติดทานอยู่มันออกไม่ได้หลายแห่งทั่วประเทศไทยก็คือใช้ระบบแบบนี้ เดียวระบบสะกดจิตระบบทําให้งมงายหลงจมอยู่เนี่ยไม่ทะลุมิติวันนี้ไปแล้วเราจะอยู่แบบนี้เหรอไปที่โน่นก็นได้น้อยนึงไปที่ก็เป็นเมี น, น้อยนึงสุดท้ายคือเอาเราก็ทําบุญทําทานทําพระบงพระป่าไปทําเรื่องเอาหลวทําไม่เคยทํ า, ท เ, เ, า, เ, าเลยบางคนําเคยเคยเหมือนกันเคยเหมือนกันแหละถึงมาพูดให้ฟังเนี่ยนะครั้งหนึ่งไปเชียงใหม่ที่ที่วัดอยู่ปัจจุบันนี้ เขาดูสึกว่าที่มันขับแคบโยมเขาจะขายที่เพิ่มที่มันอยู่ติดวัดอา้าวเขาขายแสนห้าหรือสามแสนไม่รู้พอเทีจบวันสุดท้ายโยมเขาจะขายที่ให้วัดทําไงช่วยกันหน่อยนะเ พ, พื่อพักอ้าวจบภายในหนึ่งชั่วโมงอันนั้นมันเป็นความจําเป็นนะแต่ไม่ได้เอาสวรรค์วิมานอะไรมาขายแต่ว่าเอาเอมันใช้จําเป็น ถ้าซื้อที่ตัวนี้โยมมาข้างหน้ายองก็ได้เดินุนูผมอันนี้มันแคบมันจะกว้างขึง้นหน่อยสบายอว่ระานันอันนก็เป็นแบบธรรมดาแต่ไม่ได้เชื่อว่าเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาอ้างเอานิพพานมาขายไม่แต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะเราถูกสะกดจิตจิตเราสะกดถูกสะกดจริงคือไหลหรือคล้อยตามตามจิตตามอะไรเราเนี่ยมันก็จะยากลําบากเราก็มีโอกาสที่จะเดินไปข้างหน้าได้ นั้นคนทั้งหลายทั้งปวงปฏิบัติธรรมเรียนรู้ธรรมเข้าใจธรรมก็คือเข้าใจตัวเองผู้ได้เห็นธรรมพวกนั้นคือเห็นตัวเองเห็นตัวเองเห็นธรรมนี่ที่แรกนี่เห็นทุกนี่แหละแล้วก็เห็นทุกแบบแบบมีสมาธิเยอะๆหรือว่าที่เขาว่าเห็นโทษของมันน่ะมันคิดน้อยก็เห็นละมันปรุงแต่งน้อยก็เริ่มเห็นมันละมันงงงิดนั่นก็เริ่มเห็นมันละมันเบื่อมันอะไรก็เห็นมันะเห็นทุ่ทั้งเห็นทุก หลุดไปเลยนี่ยเห็นเป็นอนิจจังที่แรกเดี่ยวเกิดเดี่ยวดับต่อมาเป็นอนัตตาเลยหายไปเลยไม่มีอ่ะในใจมันถูกดับไปแล้วเห็นความว่างเมื่อก่อนจะเห็นแต่ทุกข์แต่นี้เห็นนิโรธเนี่ยมันว่างแล้วนี่คือว่าเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคเห็นมรรคคืออะไรโอ้ที่เราทําได้อย่างนี้เนี่ยเพราะความรู้สึกตัวนี่นะเมื่อก่อนถ้าไปทําแบบสมถะเนี่ยเอ๊ะมันทำอย่างนี้ทําได้ยังไงเนี่ยมันฟุกนะ อยู่ๆก็เกิดปีติพอเขาพูดไปก็เกิดปีติขึ้นมานั่นเราเห็นมันดับไปได้แต่มันไม่รู้จักมักมักคือวิธีการที่ทําให้มันเป็นแบบ น, นี้เวลามาทําใหม่ทําไม่ได้เลยแต่ถ้าทุกสมุทัยนิโรธมักเห็นแจ้งเนี่ยทําตอนไหนเป็นตอนนั้นทําตอนไหนได้ตอนนั้นเพราะถนนนี้เราเดินมานี่เราเข้าใจเลยเวลาจะเดินอีกเอาเดินตามทางเดิมทางเดิมอ่ะนั่นคือว่าเดินจุกรมเดินที่เดิมนะอย่าไปย้ายที่ไหย้ายไปตรงนี่มันจะหลงลืมอ่ะ บางที่คนอยให้ไปเดินตามลมเลยไม่ได้อารมณ์ที่เก่าน่าจะดีถ้าเคยทําที่เดิมแล้วไม่ได้อารมณ์เาไม่นด้ไม่อยากดีกจิดเนี่ยเมื่อคนสบายนั่งสมาธิแล้สบายก็ไปนั่งสมาธิแบบสบายของเรานี่เน้นการเกิดปัญญาเน้นการเกิดปัญญาไม่ได้เน้นที่สบายนั้นองค์ประกอบของอดีตมากคืออะไรก็จะเห็นโอ้เราเริ่มต้นที่มีศรัทธา มีวิรยิยะมีสติระลึกรู้มีสมาธิเริ่มให้ตั้งมัน่นแล้วปัญญานี่จะเกิดเองได้เออเราเจดับทุกตานี้เราต้องเกิดปัญญาตานี้มาจากไห น, นมาจากการสะสมตัวรู้มีความตั้งใจสูงโอ้เราก็ไปทําอยู่ที่บ้านก็ทําได้อยู่ที่ไหนก็ทําได้ถ้าทําได้แบบนี้เขาเรียกว่าธรรมะของพระเยาวปรากฏเกิดขึ้นในใจเ ร, เรียกว่าสวากาตธรรมสวากาโตปะกวตาธรมโมน่ะธรรมะของพระผู้มีพระฟังย์จะเป็นอากาลิโกเป็นปจัจเจตังรู้แจ้งได้เฉพาะตน มันเกิดขึ้นเองนะสันติโกเห็นเองปรากฏเกิดขึ้นในจิตเองอาการริโกเอหิปัิโกอยากชวนคนนั้นมาทําอยากชวนคนนี้มาทําอยากให้เขารู้เขาเห็นเขาเป็นเขามีมันไม่ละอายเลยและไปชวนด้วยความจริงใจถ้าเขาไม่มาพร้อมที่จะจ้างจ้างอยากจ้างเขามาปฏิบัติทำไปไหมโอ้ยมันขัดข้องอันนั้นอีกไม่เป็นไรฉันช่วยแน่ เป็นเอหิปัสสิโกอยากให้คนเห็นใจตัวเองเห็นจิตตัวเองเห็นสภาวะธรรมอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นให้จิตเราอะแต่ว่ามาแล้วเราก็ยอมรับแล้วว่าโอเขาจะไหวไหมเนอเขาจะไหวไหมหนอเขาจะเห็นตัวเองเขาจะทนได้ไหมหนอเพราะว่าบุพบบรกรรมอดีตชาติอดี ต, ต, ต, ดตกรรมของเขานี่เขาจมอยู่กับความคิดความปรุงแต่งมากเหลือเกินจมอยู่กับเวทนาเราจะมาให้เขารู้ตัวทั่วพร้อมคงยาก แต่ก็จังเถอะถ้าเราปฏิบัติทําแล้วเราก็ปล่อยวางได้เขาได้ก็คือได้แล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่บุญวาสนาจะตานําพาเห็นได้ก็เห็นเห็นไม่ได้ก็ลแล้วไปปัญญาเกิดได้ก็ดีเกิดไม่ได้ก็แล้วไปอ่ะแต่เวลามาฝึกเอาคนนี้รู้แจ้งเขาก็ไปตามคนนั้นมาไปตามคนนี้มาเพราะเขาเห็นไงเราหลอกกันได้เลยชีวิตเนี่ยนอกจากจะสะกดจิตสะกดจีตคนว่าดูมันรู้แต่ที่มา ไม่ได้สะกดที้มาละโอ้ยมันทุกข์มากไปวะนี่นะไม่เอาและทุกข์มาไปก็ทนหน่อยเถอะนะเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสของคุณมันหนาปัญญาคุณมันหยาบก็ต้องฝึกต้องฝืนต้องทนสู้ดูมันให้มันจะชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่งดูไม่ได้เดินดูยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวหายตาหายใจกับพิบตาหายใจเนี่ยหายใจกัรลู้กับพิบตาเดินน่ะถอยหลังหนุ่งสวองทรงจีวร กินข้าวดื่มน้ําการไปการดื่มการพูดการหลับการนิ่งเนี่ยเห็นไหมทิโตวาทิโตมิฮิติสา ย, ยาโนนะนิสินโนทิโตแปลว่ายืนนิสินโนนิสินโนนอนสา ย, ยาโนนอนนิสินโนนั่งนี่ติปชาชนาะติให้รู้ชัดเวลายืนก็รู้ชัดว่ายืนนั่งก็รู้ว่าชัดนั่งนอนก็รู้ว่านอนชัดเจน ขัดชั้นโตวาขัจ้ามีติปัญชาณตาีเวลาเดินไปก็รู้ว่าเดินไปเดินมาก็รู้ว่าเดินมาอาโลกิเตวิโลกิเตเหลี้ยวหน้างวกหลังงวกซ้ายเนี่ยก็ให้รู้สยาโนวาสยานุสัมปชาณการิโหติเนี่ยสัมปชฌัญะคือ ไม่ว่าจะคู่เหยียดอวัยวะอาโลกิเตสัมมินจิเตปาาัสสัตตการคู่การเหยียดอวัยวะการคู่แขนเหยียดแ ข, น, ขนการก้าวเดินอริยบทใหญ่อริยบท ย, ยอ่อ ย, ย, ยให้รู้สึกตัวมีสติลงไปในนั้นจะเป็นวิถีพุทธทันทีพุทธะก็คือรู้ตัวแล้วการที่เรากระทบอารมณ์แล้วไม่หวั่นไหวไม่กโกรธไม่เกลียดไม่รักไม่ชังจิตมันดีนน่แนะวิถีพุทธแต่ถ้าเราตั้งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธแต่ยังมีความโลภความโกรธความหลงไม่ทันความคิดไม่ทันอารมณ์ ไม่ใช่วิจิพุทธะพุทธแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานมันตื่นมันเบิกบานจากดเด็กในเขามาทําเนี่ยเพื่อจะตื่นเบิกบานแต่มันไม่ตื่นเบิกบานยังงมงายติดอยู่แต่รูปแบบอะไรสักอย่างก็มไม่รู้แต่จิตมันเขาไม่ถึงเนี่ยไม่เรียกว่าเป็นพุท ธ, ธะไม่เรียกว่าเป็นพุท ธ, ธะเนี่ั่นทางไงจึงจะเห็นในนี่ยก็ต้องสังเกตอย่างที่ว่านี่เนี่ดูให้มันชัดขึ้นอยู่ในทุกข์ในบทการกินการกินข้าทนิยข้าทนิวาโพชนิย การกินการดื่มการไปการหลับการหลับการตื่นการพูดการนิ่งการถ่ายอุจจาราปัสสาวะอุจาราปัสสาวะกัมเมสัมปะจันนการิโหตนะีกัมเมก็แปลว่ากรรมแปลว่าการกระทาเวลาเยี่ยวนะเวลาถ่ายปัสสาวะนะเวลาถหาอุจารานะให้รู้สึกตัวเห็นไหมพูดง่ายๆว่าแม้แต่ขี้เขาก็ให้พยายามเน้นไปที่นิพพานขี้กับพี่ในเพื่อ น, นิพพานนะปัสสาวะกับเพื่อ น, นิพพานนะเนี่ย ก็รู้ตัวนิพพานได้ทุกอดณีบทไม่ว่าจะเป็นการนั่งหลับตาแต่เราไม่เคยเรียนรู้มาไงมีแต่เปรี้ยบอาณาปานสติอาณาปานสติก็เลยเรรู้การลมหายใจการหายใจหายอหายใจออกการหลับการตื่นการไปการมาการพูดการนิ่งการเคลื่อนไหวนียบทการก้าวเดินก็ใช่แม่เราสวดน่ะมันเยอะแยะไปอ่ะแต่เรายิบเอาตัวเดียวแขนงหนึ่งในนั้นมาแค่หลับตาแค่ หายใจเข้าหายออเท่านั้นเองนะเราก็เลยว่าอันอื่นเราปฏิเสธไม่มีในตำราแนีมันเคยว่าพอเอาอันนี้มาไม่สามารถเจรียนได้เหมือนเขามีธรรมศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีจุลาให้เนี่ยไม่มีมหาวิทยาสีปทุมไม่มีคอนแก่นไม่มีเชียงใหม่ไม่มีร้อนไม่ตายไม่มีความรู้นะกูจะไม่มีโอกาสเลยเลยชีวิตเนี่ยมันมีอันเดียวสอบเข้าไม่ได้ก็จบเลยเหมือนกันสอบเข้าระบบลมหายใจมีแต่ง่วงแต่ง่วงแต่ง่วงตายกูไปสอบวิธียืนก่อนนะ ไปสอบเคลื่อนไหวก็น่ะเพื่อผ่านว่ะดันผ่านใช่ไหเกิดการรู้แจ้งขึ้นมาได้แล้วทำไมคุณไม่เลือกเอาอะ่ะทําไมเราจะมาจมอยู่กับความนะหลับตาหลับหูเนี่ยเขาต้องตื่นอ้าอย่างนี้ปุ๊บสติมันไม่ค่อยเข้มแข็งอีกสัหน่อยเป็นภาพนิมิตนั่นนิมิตที่มันหลงไปตามอารมณ์ใช่แต่ไม่ลืมตาอยู่ตัวเบากลรู้มนเบาะเห็นผีมาเอ้าลืมตาเห็นผีมาเดินมาเลยกลางวันก็อยากดูเหมือนกันว่าผีเป็นยังไงวะก็ดูได้ ง่วงเงาอะไรเกิดขึ้นเห็นพอเราลืมตาไงแต่บางคนล็ตาหลับตาเดินไม่ได้เลยได้แล้วมันชนต้นไม้น่ะพอหลับตาบ้างเขามันเป็นนิมิตนะมันนั่งสมาธิหลับตาอีกสหน่อยจมก็เป็นความง่วงที่แรกก็หลับดีอยู่มันอยากหลับไงเดี๋ยนี้เขาทวนกระแสป ฏ, ป, ปฏิบัติไปว่าทวนปฏิไปว่าทวนทวนกระแสทวนความอยากมันอยากหลั บ, ไ ม, ลบไม่อยากตามมันไม่อยากเดินมันอยากเดินนั่งสร้างจังหวะมันอยากนั่งมากๆนานมันจะับลุกไปเดิน ทวนกระแสทำบ่อยๆกลับไปกลับมาแค่นี้เองนะกินยาก็คือกินความรู้สึกตัวนี่แหละทำมะโอสถเนี่ยรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นอีกหน่อยเอาจะเริ่มหายโรคหายไปแล้วงุนหงิดก็เริ่มหายสองวันสามวันมาความง่วงก็เริ่มหายเริ่มดับเริ่มศูนย์สลายหายไปเริ่มโปร่งเริ่มโลง่งอม่อยากทําว่ะมันแปลกมากกินข้าวแล้วอยากไปทํากินข้าวแล้วอยากไปทําเอา มันเริ่มกินยาได้แล้วทีนี้มันเริ่มมักแล้วอีอันนี้มันมักแล้วนะบัคนีิมันมักแล้วมักทามักมักมักผลนิพพานมักไปว่าชอบมักไปว่าชอบมันชอบแล้วไปบอกว่าท่านสอบเบือนให้อยู่อย่างเมื่อวานมันเพาท่านมักอันนี้มาถ้ามันไม่มักมันก็ไม่เกิดผลเฮียที่มันมักบ่เถอะขันเอกส่างจะว่าขันยกมือขันเนี่ยนะคือว่าคั่กหน่อยคือว่าพอใจอยู่ดี พอไปทำปุ๊บอามันรู้เต๋อมันชอบทำทำแจิตมันก็จะตื่นขึ้นสะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอยากสติธรรมดาก็เป็นมหาสติมหาสติจากปัญญาดับตู้เด้นอกก็เป็นมหาปัญญาวุบทีเดียวเลยสว่างแจ้งเอาเป็นผลแล้วทีนี้เมื่อกี้เป็นมักอยู่กําลังมักทีนี้เป็นผลแต่เป็นผลก็เป็นมักของตัวต่อไปอีกนะโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลมันมักแล้วมันก็เป็นผลเวลาทำพอเป็นผลปุ๊บมันยังไม่ทะลุอันอื่นมันก็เป็นมักของสกิทาขา สกิทาคามีเป็นมรรคของอนาคามีเนี่ยอนาคามีมาอยู่ระดับนี้รู้แจ้งเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่สิ้นสุดทุกยังไม่เป็นปัญหาก็ระลึกรู้เพื่ออะไรเป็นมรรคของเป็นอรหันต์ตรมเพื่อจะบรรลุอรหันตผลเนี่ยมันก็ไปตามลําลดับตามลําลดับตามลํ า, ล ด, าลดับไปแต่บางคนว่ามันไม่มีอะไรหรอกเบื่อเมื่อยโอ้ยอย่าเบื่ออ ย, อย่าเมื่อยเลยนะตั้งใจทํำถือใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเห็นนะใกล้ที่ไหนไม่เห็นอะไร พระพุทธเจ้าบอเหมือนคนอยู่ในน้ําลอยคออยู่ในกลางทะเลเรือมันแตกกลางทะเลมองไม่เห็นฝั่งถ้าไม่ว่ายตายนะแต่ถ้าว่าให้มีโอกาสโอกาสอะไรไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวนังมณีเมฆกลามาอุ้มเราหรอกนะโอ้ยเหมือนไปเถอดชาติเนี่นางมีนีเมฆกลาที่ไหนมันจะมีมองไปทางไหนก็ไม่มีในความเป็จริงคือถ้าเราสู้จริงๆเนี่ยเราจะออกจากความคิดออกจากทุกข์เราไม่เคยเห็นเลยว่าฝั่งของทุกข์มันอยู่ตรงไหนทําไปเถอะ ท่นด้วยความระ ล, ลึกรู้อยู่ปัจจุบันนี้แหละแต่พรุ่งนี้นเราจะรู้ฝั่งมันคือรูปนามนี่แหละมันจะปรากฏเกิดขึ้นจะเกิดนางนนมณีเมฆอก็เกิดปีติเ อ, อื้อมโล่งโปรง่งหอกมาอุ้ม เ, เราขึ้นไปเอ๊ะทำไมเบาจังว่าวันนี้ทําไมโล่งทำไมโปร่งทาไมแจ่มใสแน่ธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นนะแต่มันลึกเกินไปนะที่จะพูดจาภาษาคนรู้เรื่องไม่ถึงเป็นภาษาธรรมไงไอ้เ น, นี้ยนั้นก็ใส่ใจนะ กับการปฏิบัติกับการระลึกรู้เนี่ย